ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องต่างพี่เลี้ยงสติคุมภะชาดกโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่27มิถุนายน2538ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบปัดนี้ค่ะ นะเรื่องก็เริ่มที่พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณนะพระขยาพระคทายวิหารนะเพิ่งเคยได้ยินอ่านชาดกมาหลายเรื่องยังไม่เคยเจออันนี้ประทับอยู่ณนะพระคทายวิหารใกล้ถ้ำมัทกุจชนะิชื่อปแปลกๆนะวันนี้ถ้ำมัทกุจชิทรงปา ร, รถึงพระเทวทัต ส่งบารบถึงพระเทวทัตว่าเมื่อครั้งพระเทวทัตกริ้งศิลาสะเก็ดแตกออกมากระทบพระบาทของพระองค์นั้นก็เกิดทุกขเวทนาเป็นกําลังปิกษุทั้งหลายไปอันมากมาประชุมกันเพื่อเฝ้าเยี่ยมพระตถาคตเจ้าอันนี้คงนึกเรื่องออกนะว่าตามประวัติก็คือเทวทัตกริ้งหินที่จะประทุษลายผูย้เจ้าให้ถึงถึงกับ ชีวิตนะนะแต่ปรากฏว่าหินนี่ก็มาโดนผู้เจ้าแค่เพียงเป็นสะเก็ดแล้วก็โดนที่เท้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ห่อเลือดพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นพุทธบริษัทมาประชุมกันมีพระดำรัดว่าภิกษุทั้งหลายเสนาสนานี้คับแคบนักจะมีการประชุมใหญ่พวกเธอจงนำเราขึ้นคานหาม ไปที่ถ้ามัทธากุจิเถิดคือปรากฏว่าจริงครูเจ้าไม่ถึงกับโดนจนกระทั่งอะไรอะเลือดออกนะแต่ว่าหินเนี่ยก็กระแทกเอาฝ่าเท้าเออกระแทกเท้าเนี่ยจนกระทั่งห้อเลือดนะแต่ก็เจ็บนะเจ็บปวดจนกระทั่งเนี่ยคิดดูสิคนมาเยี่ยมนะเยอะแยะเลยเอาตอนนี้ใครไปเยี่ยมใครม้างอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ตามทันมั้งป่ะตอนเนี้ย ฮะโอ้ยอ่าในหลวงไปเยี่ยมใครอ่าไปเยี่ยมสมเด็จย่านะคนก็ไปเยี่ยมกันเยอะเลยเขาต้องให้เซ็นชื่อลงสมุดน่นะอันนี้ก็ปรากฏว่าพอพระเจ้านี่ได้รับบาดเจ็บก็โอ้โหพิษสูเออยอะไรเออยี่ไปเยี่ยมกันเยอะเต็มไปหมดเหมือนกันพระเจ้าท่านก็เลยแบบว่าเห็นคนมาเยอะใช่ไหม นก็เลยคิดว่าคงจะโปรดอ่ะคงจะเทศเพราะฉะนั้นก็เลยปรากฏว่าให้คนเนี่ยหามไปเลยนยตามเนื้อเรื่องนี้นะเนี่ยให้ขึ้นคานหามไปแสดงว่าถึงกับเดินไม่ไหวเหมือนกันคิดดูเอานะบาดเจ็บจนกระทั่งเดินไม่ได้เลยต้องให้ขึ้นคานหามเนี่ยแล้วพาไปให้พาไปที่ถ้ำเนี่ยมัตถกุชิเนี่ย คือที่ให้พาไปเพราะว่าที่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นบริเวณกว้างนะไอต้ตรงตรงที่ที่เข้ามาเยี่ยมผู้เจ้าที่กุดเนี่ยมันแคบไงแล้วคนมากันเยอะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยให้ไปที่ที่กว้างเพราะว่าท่านจะแสดงธรรมนั่นเองภิกษุทั้งหลายพากันกระทาตามพุทธธรรมรัตน์หมอชีวโกโกมาดาภัจจึงได้จัดการรักษาพระบาทของพระประธาคตเจ้าให้ผาสุก แมในนี้เขาใช้รักษาเท้าพู้วิเจ้าให้ผาสุกฟังแล้วมันแปลกๆูนะหรือว่าอะไรรักษาเท้าให้หายป่วยจริงๆก็คือให้ให้หายเจ็บนั่นเองมันเทาเจ็บนะกิสุทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในสํานักของพระศาสดาว่าอาวุโสทั้งหลายพระเทวทัตแม้ตนเองก็ลามก แม้บริษัทก็ลามกพระเทวทัตนั้นช่างเป็นคนลามกและมีบริวารลามกอยู่อย่างนี้จริงๆคาว่าลามกนี่หมายความว่างไงฮะบางคนเนี่ยไปเข้าใจภาษาทั่วๆไปใช่ไหที่เาบอกโอ้ลามกจังเนี่ยคือไปนึกถึงแต่เรื่องแบบเป็นกามเป็นเรื่องราคะแต่จริงๆไม่ใช่ ว่าลามกนี่หมายถึงว่าชั่วชาหยาบคายคือไปทำอะไรที่เร็วซต่ําชาเนี่ยเขาเรียกว่าลามกทั้งสิน้นแตอนนี้ภิกษุก็คุยกันใหญ่เลยว่าเนี่ยโอ้โหพระเทวทัศน์เนี่ยแย่มากพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอประชุมสนทนาอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วก็ตัดว่า ภิกษุทั้งหลายใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็เป็นคนลามกมีบริวารลามกเหมือนกันแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัส ด, ดังต่อไปนี้เอาละนะตอนนี้จะเริ่มแล้วสตวติคุมพระชาดกในอดีตการพระราชาพระนามว่าปัญจาละ เสวย ร, ราชสมบัติอยู่ในอุตรปัญเาลนครครั้งนั้นได้มีลูกพญานกแขกเต้าสองตัวพี่น้องอยู่ที่สิมพรีวันใกล้สานุบันพศแห่งหนึ่งในแนวป่าฟังทันหรือเปล่าไม่รู้นึกเอานะานึกภาพว่านะว่ามีพญานกแขกเต้าตัวหนึ่งมีลูกอยู่สองตัว คืออยู่อยู่ที่ภูเขาเนี่ย อ, อะไรนะสาณุบรรพพก็ในด้านเหนือของภูเขาลูกนี้มีบ้านโจรเป็นที่อยู่อาศัยของโจร500และในด้านใต้ก็เป็นอาสมสถานที่อยู่ของหมู่ฤาษี500้ตนก็ปรากฏว่าภูเขานี่อยู่ตรงกลางนะอีกฝั่งหนึ่ง อีกด้านหนึ่งด้านเหนือของของภูเขานี้เป็นอะไรอา่าเป็นหมู่บ้านโจรอีกฝั่งนึงเป็นอะไรอา่าเป็นอาสมที่อยู่ของฤาษีเขาใช้สำนวนว่า500ร้อนะเนี่ยโจร500แล้วก็ฤาษี500หมายความว่าอย่างไงอา่าหมายหนึ่งหมายถึงจํานวนมาก2หมายถึงอะไรได้อีกนอกจากจํานวนมากแล้ว คือสํานวน500้ยเนี่ยใช่หมายถึงว่าถ้าเร็วนี่ก็เร็วมากนะบางทีเขาด่าไอ้โจนหนะ้าร้0ยก็เขาก็หมายถึงว่าแหมเร็วมากเลยว่ามันเป็นสํานวนทีนี้ในการนั้นเมื่อนกแขกเต้าสองพี่น้องนั้นกําลังหัดบินก็ได้เกิดลมหัวด้วนขึ้นรู้ป่าลมหัวด้วนเป็นไงฮะ ลมลมลมพายุหมุนแล้วมันหัวด้วนมันเป็นไงอ่ะมันมันทําไมถึงหัวด้วนเอเคยเห็นใช่ไหมที่มันหมุนขึ้นมาแล้วข้างบนมันก็บานออกนะบานออกบานออกแล้วมันมันตัดตัดหัวมันตัดตัดเขาก็เลยเรียกว่าหัวด้วนถ้าหัวไม่ด้วนเป็นไงเอ้าเคยเห็นไหมหัวไม่ด้วนอ่ะหัวไม่ด้วนก็มีหัวไม่ด้วนเนี่ยมันก็เป็น กลมอย่างนี้นะขึ้นไปเลยแหลมขึ้นไปแหลมขึ้นไปแหลมใช่ไหมมันจะมีนะแล้วก็หัวเนี่ยก็เป็นแบบแบบเป็นปลายแบบแหลมขึ้นไปก็มีมันยาวเป็นทรงยาวแต่ถ้าแบบหัวด้วนเนี่ยมันมันจะข้างล่างมันจะแหลมใช่ไหมออแล้วมันก็บางบางบาน บ, าน บ, านบานข้างบนเนี่ยมันจะตัดตรงนะอาจารมาเข้าใจอย่างนั้นนะตามที่อาจมาเข้าใจาเรียกอะไรลมหัวกุดใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนกันนั่นแหละ นะก็จริงๆก็คือพวกพวกลมอะไรลมบ้าหมูลมอะไรอ่ะนะแต่อันนี้มันเล็กใช่ไหมแต่อันนั้นมันใหญ่มันกำลังแรงอันนี้เนี่ยกำลังฝึกบินกันอยู่นะนกสองตัวนกตัวน้องจึงถูกลมแรงพัดไปตกในหมู่โจหมู่บ้านโจนอยู่ในระหว่างกองอาวุธของพวกโจนพวกโจนจับได้จึงตั้งชื่อว่าสั ต, ติคุมภะ ชื่อชาตกนี้คือชื่อของนกตัวน้องนี่เองนะชื่อสัติคุมภะที่จริงสัติก็คือคือสตัสตราวุธอะไรพวกนี้นะนี่ไงไปโดนไปตกอยู่ที่ในกองอาวุธเขาก็เลยเรียกว่าพวกอะไระเจ้านกคุมภะนี่ก็เป็นแบบเป็นนกนั่นเองนะนกนกเออเป็นหม้อเป็นเป็น นั่นแหละเป็นเป็นกองเป็นอะไรพวกเนีนะ้อาวุธเป็นกองอยู่นันก็เลยเรียกนกตัวนี้ว่าเนี่ยเจ้ากองอาวุธแมก็ทํานองนียนะส่วนนกตัวพี่ถูกลมพัดไปตกในระหว่างกองดอกไม้แมที่เนินทรายใกล้อสมพฤษศีพฤืศีพบเข้าจึงพากันตั้งชื่อนกนั้นว่า ปุบภกะก็ปุบผานั่นเองก็แบบปุบผานั่นเองนะปุบภกะมันดูอ่นะดูเอาชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะตัวหนึ่งไปตกที่กองอาวุธอีกตัวหนึ่งไปตกที่กองดอกไม้ดังนั้นสัตติคุมภะจึงจเจริญเติบโตในระหว่างพวกโจรส่วนปุพภะปุบภกะ ก็จเจริญเติบโตในระหว่างพระฤาษีทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าปัญจาราชประดับตกแต่งองค์ด้วยเครื่องสั บ, สบพรางการสเสด็จทรงรถพระที่นั่งอันประเสริฐเสด็จสู่ชายป่าอันเป็นลมมณียาสถานมีดอกไม้ผลไม้พริดดอกออกผลงอกงามดีณนะที่ใกล้พระนครนั่นเอง โดยทรงประสงค์จะล่ากวางไปล่าสัตว์นะพร้อมด้วยบริวารเป็นจํานวนมากแล้วทรงประกาศว่าอันนี้เป็นคําประกาศของพระราช า, นนะ า, าเนี่ยนะปัญจราชเนี่ยจะไปล่าสัตว์ก็เลยประกาศว่าหากกวางหนีออกได้ในทางด้านหน้าที่ของผู้ใดดูแลอาจยาก็คือหมายถึงว่าจะต้องโดูลงทันเนี่ย จะพึงมีแก่ผู้นั้นเอาละนะประกาศว่าอย่างนี้เพื่ออะไรประกาศว่าอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ล้อมเนี่ยนะจะได้แบบว่าไม่ให้กวางหนีไปได้แล้วเสด็จลงจากราชรถทรงถือธนูประทับยืนซ่อนพระองค์อยู่ในซุ้มที่ราชบุรุษจัดทมถวายเมื่อพวกราชบุตร พากันตีเคาะที่ละเมาะพุ่มไม้เพื่อที่จะให้เหล่ากวางทั้งหลายตื่นขึ้นแตกตื่นขึ้นก็มีเนื้อทรายตัวหนึ่งลุกขึ้นยืนแลดูที่จะไปพอเห็นสถานที่ด้านพระราชาแอบประทับยืนอยู่นั้นสงัดเงียบดีจึงบ่ายหน้าเพ่นหนีตรงไปยังทิศ ท, ทางนั้นคือปรากฏว่านะ ก็พอเคาะเคาะเกาะเคาะอะไรไล่มาใช่ไหมสัตว์ก็ตื่นเริ่มหนีแหละตอนนี้มีเนื้อทรายตัวหนึ่งน่าดูมันก็เป็นธรรมดาสัตว์มันก็ต้องดูเหมือนกันว่าทางไหนที่มันเห็นว่ามันจะหนีไปได้รอดมันก็เห็นพอดีนะเจ้าตัวนี้ก็เห็นว่าเออทางนั้นรู้สึกไม่ค่อยมีคนก็เลยเพ่นไปเลยก็เพ่นไปทางพระราชานั่นเองอัมมาทั้งหลายลองถามกันว่า เนื้อทรายหนีไปทางด้านหน้าที่ของใครคือปรากฏว่าเนื้อทรายนี่ก็นหนีไปทางพระราชาแล้วก็หนีออกไปได้นี่หนีออกไปได้นออไดนในด้านของพระราชาท่านเองแต่พอรู้ว่าทางด้านหน้าที่ด้านที่เนื้อทรายจะหนีไปเป็นหน้าที่ของพระราชาก็พากันทำการยิ้มเยาะพระราชาคือไม่ได้พูดไม่ได้ว่านะ แต่พูดง่ายเหมือนกับบางทีเราขำๆอ่ะเรา น, านันนันนะแม้ไม่ต้องพูดกันแต่มองหน้ากันก็รู้แล้วใช่ไหมมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะเงี้ยนันนันะคือคือคำคำพูดมันออกมาจากสายตาแล้วก็รอยยิ้มเองว่านั่นออกไปทางพระลาชานั่นเองแล้วจะลงโทษยังไงจะลงโทษยังไงพระเจ้าปัญจาราชทรงอดกัน้นการเย้ยหยันของเราอมาตไม่ได้จริงๆริงเราอมตไม่ได้พูดอะไรเลยนะ นะแต่ว่ากริยาท่าทางซึ่งเราอมามตะจะอดขับไม่ได้ว่ า, วาเนี่ยดูซี่ประกาศเองนะว่าจะต้องโดนลงโทษนะนั้นจะทำยังไงเนี่ยงั้นก็เขาเขาค น, อ, นอื่นเขาขับมาสิตอนนี้ก็เสียหน้าพูดง่ายพระราชาก็เสียหน้าสิก็เลยโอ้โหหน้าแตกเพราะว่าหนีออกทางของตัวเองไงใช่ไหมเราจะทายังไงพระเจ้าปัญจราชทรงอดกั้นการเย้ยหยันของเหล่าอมตะไม่ได้ด้วยอัสมิมานะ อะไรคืออัศมีมานะมันมีคาว่ามานะอยู่คำหนึ่งแล้วอ่ะอัศมีมานะคืออะไรนานแหมฉลาดตอบมานะละเอียดใช่ภาษาง่ายๆใช้ภาษาง่ายๆก็คือการถือตัวการถือดีว่า แหมข้านี่เป็นกษัตริย์นะข้านี่สูงท่งนะ่ะมียศอะไรอย่างนี้นะ เ, เพราะว่าหน้าแตกแลสิคราวนี้จึงเสด็จขึ้นสู่รถพระที่นั่งแล้วตัดว่าเราจะจับเนื้อทรายตัวนั้นให้ได้เดี๋ยวนี้นะนี่เป็นการรักษาหน้าตัวเองอยู่ไว้ก็ โ, โหเข้าหัวรอ้อยยอใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยขึ้นรถเลยแล้วก็เสด็จไปตามทางที่เนื้อทรายนั้นหนีไป เราราชาบุตรจึงไม่สามารถจะติดตามรถพระที่นั่งซึ่งกําลังวิ่งไปโดยเร็วได้ทันเพราะอะไรเพราะพระราชาเล่นเล่นขึ้นรถมานะ้าแต่พวกคนอื่นๆเขายังไงเขาเดินเขาไม่มีมา้าเขาไม่มีรถเพราะฉะนั้นพอพระราชาหน้าแตกใช่ไหมก็ต้องเลยรีบจะต้องไล่ล่ากวางตัวนั้นให้ทันก็เลยสั่งสารธีให้ ขับไปโดยเร็วเลยเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็เลยตามไม่ทันเลยพระราชานะสองคนกับนายสารถีก็เสด็จไปจนถึงเวลาเที่ยงก็ไม่พบเนื้อทายแต่ถึงจะเครียดยังไงนะตามให้ทันก็ตามไม่ไม่ทันเนื้อสายลนะจึงจึงหาทางเสด็จกลับแต่ทอดทอดพระเนตรเห็นลำธารอันเป็นสถานที่ล่มรื่นนะเย็นสบาย เป็นสถานที่ใกล้โจรคามนั่นเองคือปรากฏว่าขณะดเดินทางกลับเนี่ยไปเจอสถานที่น่ารื่นรมแต่ว่าไอสถานที่นี้จริงๆมันอยู่ใกล้กับโจรบ้านหมู่บ้านโจนจึงเสด็จลงจากรา ช, ร, าชรถทรงเสวยน้ำแล้วนั่งพักส่วนนายสารถีก็เอาเครื่องปูรถเนี่ยมาแต่งให้เป็นที่บันทมที่พายใต้ร่มไม้ พระราชาจึงทรงบรรทมณที่นั้นฝ่ายนายสารถีก็นั่งถวายงานนวดพระบาทพระบาทยุคนของพระราชาอยู่จนกระทั่งหลับไปด้วยกันแหมบริการดีมากสารธีสารธีนี่ปูที่หลับที่นอนให้พระราชาเรียบร้อยพระราชาก็สบายเลยนะนี่ก็นวดเท้าให้ เคยเห็นไหมหนังเรื่องรามเกียรติตอนที่พระรามนอนเนี่ยบรรทมนอนอยู่อะพระลักษ์ก็มาช่วยบีเท้าให้คือคือเขาจับแบบเบาๆะนะไม่ใช่แหมนวดแบบหมอนวดนะไม่ใช่แบบจับเส้นนะอย่างงั้นนอนไม่หลับหรอก <c oughs> อันนี้นี่เขาแบบว่าเบาๆมันเหมือนกับอะไรบางคนเนี่ยเวลาไปตัดผมเคยไหม อัตรามไม่รู้นะผู้หญิงเป็นยังไงนะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยบางทีเนี่ยตอนที่พอก็ตัดผมแนละ้วเขาเอาไอเอ่ออะไรนะมาปั่นหูให้มั่งหน้าอะไรมั่งแต่เขาทาแบบเบาๆนะหรือว่าบางทีเนี่ยอัตรามสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยรู้สึกสบายมากเลยคือตอนไหนรู้ไหมพอก็ตัดผมเสร็จเนี่ยเขาปัดเปิดอะไรให้เสร็จใช่ไหมเขาจะเอาเอแบบกอฮอร์เย็นๆมาทาทายแถว จอนแถวคนอะไรเนี่ยคนผมอะไรพวกนี้นะแล้วเขาจะเอาไอ้มีโกนเนี่ยมาแบบว่ามาเขาเรียกอะไรอ่ะเออมากันให้อ่ะนะโอ้ยเรารู้สึกมันสบายอย่างเลยน่แต่ก่อนนอ่นะนะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็คงตอนให้เขาไปสระผมให้ที่ร้านเมืองนะแหมนอนกลุ่มเลยนะ เขาเออเอาน้ํามาไอ้นั่นน่ะอะไรอะ่ะน้ํามาฉโลมหัวให้นะเสร็จแล้วก็แหมก้อยก้อยขยี้ให้โว๊ยนอนหลับตาพริมสบายฮะพอมีนวดตรนคออีกต่างหากคืออย่างนั้นเนี่ยสบายจนบางทีหลับไปเลยอะ่ะใช่ไหมเพลนเพลิน เ, น, เ น, นี่ยหลับสบายเลยก็เหมือนกันนี่พระราชาก็สบายแต่ที่สบายยิ่งกว่าก็คือนี่แหมคนนวดให้ก็หลับด้วย สารทีก็หลับในขณะนั้นเองฝ่ายพวกโจรพากันออกไปนอกหมู่บ้านโจรกันหมดเหลืออยู่แต่สติคุมภะกับพ่อครัวชื่อปฏิโกรุมภะเท่านั้นคือปรากฏว่าปรากฏว่าช่วงช่วงนั้นนะ่ะนะช่วงที่ ช่วงที่พระราชากับสาราทีเนี่ยหลับไปแล้วนะก็ปรากฏว่าเจ้าสัตติกุมภาเนี่ยเจ้าเจ้านกตัวน้องเนี่ยซึ่งอยู่กับพวกโจรเนี่ยก็ปรากฏว่าบินออกมาไม่รู้ว่าจะสำรวจพื้นที่หรือว่าจะออกมาหากินหรือจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งปรากฏว่าพอดีตอนนั้นลังโจรไม่มีโจรอยู่เลยนะไม่รู้ว่าจะไปออกกําลังกายหรือว่า จะไปทำโจรกรรมอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ละแต่ปรากฏว่าเหลืออยู่แค่หนึ่งตัวกับหนึ่งคนคือเหลืออยู่แต่สัติคุมภะกับพ่อครัวเท่านั้นเองนะพ่อครัวนี้ชื่อปฏิโกลุมภะนะชื่อคล้ายๆกันเลยนะสติคุมภะได้บินออกจากบ้านโจรไปเห็นพระราชาเข้าจึงบินกลับไปหาพ่อครัว แจ้งเหตุด้วยคำพูดที่หยาบคายว่าแสดงว่านิสัยของสติกุมพาเนี่ยอยู่กับโจรใช่ฟังโจรพูดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างเนี่ยก็เลยพูดแบบภาษาโจรนะคำพูดที่หยาบคายว่ามีบุรุษหนุ่มน้อยคล้ายดังพระราชามีรถม้าเป็นพาหนะมีกุนทนเกลี้ยงเก่าดีมีกรอบหน้าแดงงดงามเหมือนพระอาทิตย์ ส่องแสงสว่างในกลางวันเอาสีพพวกเราจงรีบไปชิงเอาทรัพย์ทั้งหมดเพราะเวลานี้ก็เงียบสงัดดุจกลางคืนพระราชากำลังบรรทมหลับพร้อมกับนายสารถีพวกเราจงไปแย่งเอาผ้าและกุนทนแก้วมณีแล้วฆ่าทิ้งเสียเอากิ่งไม้ปิดไว้ฟังสำนวนนะสำนวนที่เป็นภาษาเนี่ยไพเราะฟังดูนะ พูดภาษาไพเราะแหมเปรียบเทียบยังกับดวงอาทิตย์นะตอนนี้สงบเงียบดีอย่างกับตอนกลางคืนคือสำนวนภาษาไพเราะ แ, แล้วตรงไหนอะที่หยาบคายที่หยาบคายก็คือเนี่ยนะภาษาที่พูดเนี่ยบอกโอ้โ oh, ห oh, ให้ไปฆ่านะบอกให้ไปเอาซัพย์เข้ามานะฆ่าทิ้งเสศษแล้ว้เอากิ่งไม้ใบไม้อะไรเนี่ยปิดบังเอาไว้อะไรอย่างต่างกันนะ นี่คือภาษาที่หยาบคายค้านภาษาอะไรก็ตามแต่ที่พูดไปไพเราะยังไงก็ช่างเถอะนะจะเป็นแบบแต่งเป็นตัวโน้ตเลยเปงเป็นกรอนเลยให้มันสอดคล้องไปเลยแต่เจตนาของคนที่พูดเนี่ยพูดไปแล้วเพื่อเบียดเบียนพูดไปเพื่อทําร้ายพูดไปเพื่อที่จะทําลายคนอื่นเขาด้วยเจตนาการเป็นอกุศลนี่ล้วนเป็นวาจาหยาบคายทั้งนั้นนะเพราะอันนี้ให้ให้เราชัดเจนด้วย วันพอพู่อย่างนี้เสร็จใช่ไหมมามารายงานให้พ่อครัวพ่อครัวปฏิโกลุมพระได้ฟังถ้อยคำนั้นแล้วจึงออกไปดูรู้ว่าเป็นพระราชาจริงจิงเข้าก็สะดุ้งตกใจกลัวอ้าทำไมต้องสะดุง้งด้วยคือพอได้ฟังใช่มหมก็ไปแอบดูก็เห็นเอ๊จริงจริงด้วยพระราชาแต่ทำไมต้องตกใจกลัว อ่าเขาเป็นโจนก็ถูกแล้วอะ่ะแต่นี้มันใกล้ลังโจรแล้วทำไมจะต้องไปกลัวล่ะอ่านะถูกต้องอ้าฟังคำฟังคำตอบของของพ่อครัวนี่นะดูก่อนสติคุมระเจ้าเป็นบ้าใบกระมังที่จะให้เราฆ่าพระราชาเพราะว่าพระราชาทั้งหลายถึงจะเสด็จมาไกล ก็ย่อมทรงเดชานุภาพเหมือนดั่งไฟสว่างสวัยเช่นั้นเพราะไม่ใช่กลัวแค่ว่าเอแถวนี้อาจจะมีกําลังทหารเท่านั้นนะยังกลัวไปทั้งถ้าฆ่าพระราชาแล้วผลที่ตามมานี่อาจจะโดนป่า บ, บามด้วยเพราะว่าคนเขาก็ต้องเคารพรักพระราชาของเขาใช่ไหมเพราะถ้าโจนกลุ่มนี้ประฆ่าพระราชาเนี่ยถ้าเกิดเขาสืบรู้หรือเขารู้เนี่ยเป็นไงเขากวาดล้างทิ้งแน่แนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้านี่ก็กลัว น, นกสัตติกุลภะก็ยั่วยุต่อไปว่าดูกรปฏิโกลุมภะท่านเมาแล้วย่อมเก่งกาศมากไม่ใช่หรือคือคือคือต่อว่านะต่อว่าจะพอกลัวคนี้เพราะพ่อเขาพอกลัวคนนี้ก็เป็นโจรเหมือนกันแล้วก็บอกอ้าวไหนเวลาเมาะเก่งแค่เวลาเมาหรือไงไอตอนนี้ไม่เมาไม่เก่งใช่ไหมนะยั่วยวุยั่ว ย, ว ย, วยวุนะแล้วก็พูดต่อไปว่าขณะนี้เรากับมี มีหญิงเปือยกายอยู่ตรงหน้ามาทำมาทำเป็นลังเกียจด้วยยายจึงมาทำเป็นลังเกียดด้วยเล่าไม่ใช่ปกติของโจรเลยคือพูด ง, ง่ายๆเหมือนกับว่าถ้าโจรเนี่ยปกติก็ฆ่าคนชิงทรัพย์หรือว่าถ้าบางทีเจอผู้หญิงก็ข่มขืนใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะ น, นั้นก็เลยพูดเยอะเยอยบอกแม้เหมือนกับตอนนี้โอ้โหมีผู้หญิงไม่นุ่งผ้าเลยมาอยู่ข้างหน้าเลยนะทาเป็นผู้ดีเหรอ นาะยัวอายุนั่นเองยัวอายุให้พ่อครัวเนี่ยอะไรอ่ะเกิดเอ่อเกิดความมานะขึ้นมาเกิดความถือตัวเหมือนกันว่าไว้คขากันแนไว้คขากันเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะพูดอย่างนี้คือพูดแบบดูหมิ่นเงีเเเ้ยเออย่างนี้มันก็ดูหมิ่นกันนี่หว่าช่วงนั้นเองพระราชาปัญจาราชทรงตื่นพระบรรทมได้ทรงสดับคําของนกกับพ่อครัว พูดคุยกันจึงทรงดำริว่าสถานที่นี้มีภัยเฉพาะหน้าเสร็จแล้วจึงทรงปลุกนายสารธีให้ลุกขึ้นสารธีเพื่อนยากจงรีบลุกขึ้นเทียมรถเราไม่ชอบใจนกเราเราจะไปที่อื่นกันเถิดนะเราจงไปที่อื่นกันเถิดก็ปรากฏว่าได้ยินได้ฟังพอดีก็เลยรู้ว่าเออตรงนี้มันชักไม่เหมาะแล้วมั่ง นายสารถีก็ลุกขึ้นโดยด่วนเทียมราชรสแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าราชรสได้เทียมแล้วและมาราชพานะก็มีกำลังมากก็ได้จัดเทียมแล้วเชิญพระองค์เสด็จขึ้นประทับเถิดจะได้เสด็จไปยังที่อื่นพระเจ้าข่าเมื่อพระเจ้าปัญจาราชเสด็จขึ้นประทับบนราชรสเท่านั้น ม้าสินทบทั้งคู่ก็วิ่งไปโดยเร็วดังลมพัดม้าสินทบคืออะไรม้าสินทบมีส่วนถูกสักครึ่งหนึ่งม้าที่ฝึกดีแล้วแต่ตอนแรกนี่จะต้องจะต้องมีมีจุดอื่นมาก่อนนะไม่ใช่ม้าออกซือ มคือเอาม้าสินทบไปออกศึกก็ด้วยได้นะใช่ก่อนอื่นต้องเป็นหมายถึงว่าเป็นม้าพั น, ด, น, นดีเป็นม้าชั้นยอดเป็นม้าชั้นเยี่ยมนะเรียกว่าม้าสินทบแต่จริงๆแล้วม้าสินทบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นม้าชั้นยอดเป็นพันเยี่ยมที่มาจากลุ่มแม่น้ำสินทุนะเขาก็เลยเรียกว่าม้าสินทบ ตอนนี้พอพระราชาหนีใช่ไหมนกสัตติกุมภะเห็นราชรถกำลังวิ่งวิ่งไปก็เกิดความเครียดแค้นตะโกนว่าไอ้พวกโจรในที่นี้พากันไปมุดหัวเสียที่ไหนกันหมดทำให้พระเจ้าปัญจาราชกำลังหนีหลุดพ้นไปได้เฮ้ยจงรีบเอาเกาทันหอกมาโดยเร็วพระเจ้าปัญจาราชกำลังหนีอย่าได้ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ได้เลย แสดงให้เห็นว่านินสัยโจรร้อเนลยนะนี่ขนาดว่าตัวเองเป็นนกโอ้โหคิดดูสิว่าขนาดตัวเองเนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้มือจะไปหยิบอาวุธก็ไม่มีอะไรอะ่ะจะไปถือดาบจะไปถือหอกจะไปอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยแต่ให้ดูที่ใจว่าโอ้โหใจนี่มันมันร้ายมันเลวขนาดไหนมันให้ดูนะเข้าถึงบอกว่าโอ้โหใจเนี่ยมันเป็นเอกเลย มัเหมือนกันคนเราเนี่ยบางคนนี่พิการแท้ๆเลยอาจจะตาบอดอาจจะหูหนวกหรืออาจจะแขนด้วนอาจจะขาด้วยนะเสร็จแล้วอะไรไม่ร้ายกาดเท่าใจหรอกบางคนพิการแล้วแต่ใจดีอ่าแต่บางคนทั้งพิการร่างกายนะแล้วก็ใจนี่รายด้วย มันเหมือนกับเนี่ยที่อาตมาสมมติตัวอย่างว่าเหมือนกับสติคุ้มพาเนี่ยสมมุติว่าเหมือนกับเป็นคนพิการนะเราโหใจนี่ร้ายกว่าไอความพิการที่เป็นอยู่สิความพิการนาะมันพิการแค่กายนี่นะเรายังมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าหาอะไรที่จะมามาเสริมมาทําสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นประโยชน์ได้แต่ใจที่เลวแล้วเนี่ยมันแบบว่ามันจะสั่งงานให้ให้อะไร ให้ไปเบียดเปียนให้ไปทำร้ายนะให้ไปทำอาคุศลกับใครต่อใครเาโอ้โหย่างรุนแรงนะนจะร้ายกาดมากแล้วก็คนพิการนี่สามารถที่จะฆ่าคนอื่นก็ได้จนกระทั่งบางคนนี่สามารถฆ่าคนอื่นได้เพียง เ, ออเพียงแค่คำพูดนี่แหละอย่างนาาเนี้ยสติคุมพะเนี่ยไม่สามารถจะไปถือธนูไปยิงเขาอะไรต่ออะไรเลย โอ้โหใจที่ร้ายเนี่ยสามารถจะสั่งปากให้พูดออกมาไปทำร้ายคนอื่นเ็าได้นะเพราะระวังให้ดี